ให้ในแบบที่เขาเห็นค่าไม่ใช่ให้จนเขานึกว่าเรามีหน้าที่ต้องให้เขาคนเรามักจะลงนึกทึกทักว่าให้มากๆยอมมากๆคือการเป็นคนดีน่าจะเป็นที่รักของใครๆข้อเท็จจริงคือให้มากๆยอมมากๆไม่ได้เปล่งประกายคนหน้าคบ จะฉายแววงอหน้าหลอกใช้หรือหน้าปั่นหัวกันมากกว่าเรียกว่าบุคลิกหลอกง่ายจะไปกระตุ้นอารมณ์ดิบๆเถื่อนๆ อ, อยากเป็นเจ้าใหญ่ในโตให้กับคนรอบข้างขึ้นมาหาได้กระตุ้นอารมณ์รักใคร่นับถือแต่อย่างใดไม่คนที่คิดว่าตัวเองใจดีที่แท้อาจจะแค่ใจอ่อนและอ่อนในทางอ่อนแอไม่ใช่อ่อนโยน คนอ่อนแออยู่ที่ไหนอย่างไรก็ต้องพบกับสัจธรรมของความอ่อนแอคือถูกมองเป็นไก่อ่อนยอมให้บีบง่ายหน้ารังแกน่าให้คบหวังเอาผลประโยชน์น้อยครั้งจะเจอใครมาหาเพราะหวังมอบอะไรดีๆให้ถ้าต้องอยู่กับคนเห็นแก่ตัวคุณต้องหาวิธีอยู่กับเขาโดยไม่สูญเสียความเป็นเรา เพื่อให้คนเห็นแก่ตัวใจอ่อนนึกอยากดีตามคุณต้องนึกถึง ค, คํสองคาคือรู้จักให้ในจังหวะที่พอดีและดีในแบบที่ได้ใจเพื่อจะให้ในจังหวะที่พอดีคุณต้องให้ในแบบที่เขาเห็นค่าไม่ใช่มีเท่าไหร่ให้หมดให้ทุกรังจนเขานึกว่าเราเกิดมามีหน้าที่ต้องให้เขาซึ่งแบบนั้น จะโดนมองว่าโง่ดีมากกว่าใจดีวิธีให้แบบพอดีคือให้เมื่อเขาเดือดร้อนและให้แบบที่เขาต้องมีส่วนช่วยเหลือตัวเองด้วยให้แบบที่เขาเห็นว่าเราร่วมแรงร่วมใจเคียงบ่าเคียงไหลกับเขาไม่ทิ้งเขาไปไหนและเขาจะจดจำภาพกับความรู้สึกร่วมแรงร่วมใจไม่ใช่จดจำว่า เราทําอะไรงกงกให้เสร็จสับเราก็เป็นฆ่าทาตบริวารหรือลูกหนี้ที่ถึงเวลาชดใช้และเพื่อจะดีแบบได้ใจคุณต้องดีในแบบที่เขารู้ว่าเราตั้งใจเสียสละดีแบบไม่กะทอนทุนดีแบบที่เราเป็นของเราอย่างนี้อยู่จริงๆซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจทางความสุขให้กับเขาและอยากถือเอาเป็นแบบอย่างบ้าง ขอให้ทราบว่ามนุษย์เราชอบความสุขอันเกิดจากการเสียสละเพราะความรู้สึกอันเกิดจากการเสียสละคือการถอดเกราะหนักๆแห่งความตรนีออกจากใจถอดได้แล้วเบาสบายดีเสียแต่ว่าไม่ค่อยมีแบบอย่างดีๆเป็นแรงบันดาลใจมีแต่ต้นแบบแย่ๆให้ขาดศรัทธากันถ้าคุณพร้อมจะให้อย่างสมเหตุสมผลเสมอ คนถึงจะรู้สึกว่าคุณใจดีไม่ใช่ใจอ่อนไปที่ไหนใครก็อยากคบคุณจะไม่สับสนว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีทำไมตัวเองใจดีแล้วทำให้คนอื่นยิ่งได้ใจคุณจะกระจ่างว่าถ้าดีถูกจุดอะไรอะไรจะดีหมดและยิ่งท่าใจดีเป็นก็จะได้ใจคนในแบบน่าเกรงใจด้วย